นั่งตามสบายนะนั่งเที่ยวเป็นเจ็บขาก็นั่งกัตสมารถสบายก็ได้ก็ร <c oughs> ะดูกแตกมันเจ็บร <c oughs> ะยะนี้เป็นเทศกาลเขากันษ า, <c oughs> าพระเจ้าพระสงฆ์สืบพุทธศาสนาดูประจำวัดวาวะ สี่ตัวต้องการเห็นว่าจะเกิดสารประโยคนอกจากมีเหตุการณ์จําเป็นจริงจังถึงจะเด็ออกไปที่ใหม่ที่อื่นถ้าไมีเหตุการณ์จําเป็นท่านเหล่านั้นก็ตั้งใจอยู่ในวัดที่การอธิษฐานพันศาหน้าพันศานี้มีโอกาสเวลาที่จะได้ทบปะพระเจ้าพระสง์ ระดวกสบายเพราะท่านไม่ไไปที่อื่นเหมือนอนอกพรรษ า, ราปุถิดแสวงหาบุญกุศลอยากจะไปกราบนัสการอาจารย์องค์ใดก็พวกปะท่นานเพราะท่านยู่มีไปไหนไาะจาาพระสงฆ์ในหนา้าพรรษาโดยส่วนใหญ่ทางป ร, ริยัติท่านก็สอน ปริยัติกันแข่งบสํตำรับตำราช่วยจะได้สอ่ออกพรรษาทางปฏิบัติครูอาจารย์สอนใหเร่งการภาวนาช่วยจะให้มีจิตมีใจดีขึ้นกว่าเดิมแต่ทางการปฏิบัติ โดยส่วนใหญ่ท่านไน่มีกฎเกณฑ บ, บังคับพอถือว่าผู้มาปฏิบัติทุกท่านมุ่งมั่นมาภาวนาราชิเลสแต่มาเล่นมาเพลินการบวชที่จะให้เกิดสารประโยชน์ก็เพราะการปฏิบัติของตัวเมื่อเป็นอย่างนั้ น, ท, นท่านจึงไม่มีการบังคับแล้วแต่อัจฉริยสัยองค์ใดชอบแบบไหน ที่ไม่ผิดจากทำวินัยจากอธิษฐานทุดดงอย่างไรอธิษฐานใจของตัวตั้งมั่นในขอวัดปฏิบัติอะไรก็ให้กำหนดเอาตามความชอบใจของตัวเช่นการไหวพระสวดมนต์เดินจโรมภาวนาถือเนสสิไม่หลับนอนหรือจะอดอาหารเป็นการเป็นสมัยก็ถูก ถ้าเรามาปฏิบัติเมื่อไดฝึกหัดอบ ร, รมเมื่อใดได้ทำตัวของตัวให้รู้ให้เข้าใจในสิ่งต่างๆมี่จิตญาณวิจิตหรือเกื่อบรรพัสิทธ์มาถามเข้าเราก็ไม่มีคำที่จะตอบเขาถ้าเราไม่เคยทำมาแต่เราเคยทำมาทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อคนอื่นเขาสนใจมาถามเขาว่าเราทำเพื่ออะไรเราควรจะมีคำตอบกับเขาการสมาทานอธิษฐานจิตประพฤติปฏิบัติอัดธรรมนั้นไม่มีอะไรที่จะเสียหายถ้เราาบางทัานบางคนในเหตุการณ์เขาพันษาผู้ที่เคยจิตเหล่าจิตยาเขาขออธิษฐานออก บางคนก่ออธิษฐานรักษาศิ้นห้ารักษาศิ้นโบสดรักษาสิ้นห้าตลอดไรมาศหรือรักษาอโบสดตามปักทุกวันพระไปอธิษฐานจะต่กบะทำทานไม่ขาดเป็นนิดเล่นงไรแต่มีจิตจำเป็นลมป่วยลงไปนี่เป็นเรื่องของคนแต่ละ จิตแต่และใจแต่และท่านจะทีฐานเพื่อปรับปรุงความดีของตนในเหววันเวลาเป็นหมันคือจะทำคุณงามความดีเอาไว้สำหรับเป็นเครื่องเย็นใจของตัวถ้าไมนี้อะไรทำเอาไว้วันคืนผ่านไปนอกพรรษาก็ไม่เอาใจใส่ เดินจนกลมภาวนาละกิเลสมีขอวัดปฏิบัติอะไรที่ประทับกายประทับใจของตัวในปรรษาขอละเลยไปอีกถ้าเป็นอย่างนี้ชีวิตของเราสิผ่านไปมันก็มีคุณค่าสระอะไรตัวทังตัวเองเมื่อคิดถึงวันเวลาสิผ่านไปจะกำหนดตัวของตัวได้ าหากเราทําอยู่อีประวัดปฏิบัติอธิษฐานจิตมื่อเอาไว้ถึงการถึงเวลามันเหยียดติารมันเกาะจิตถึง ท, ทําอธิษฐานทสองตั ว, วเราเดี๋อธิษฐานอย่างนั้นในควรที่จะเอามือเขียนข้าวลบมันจะได้สุกตัวของตัวขึ้นทำํำทีงานทําดีแต่ เรื่องของศาสนาทาสอนของพระพุทธเจ้าจริงจังนั้นท่านมาดิ้ือว <c oughs> ันคืนเดือนจีเป็นสําคัญท่านคือการปฏิบัติเป็นสําคัญมาดิ้ือการเวลาพรรษาหนอ่อพรรษาสิ่งว่าสุนัขตงังสุมาลกลังสุปภายตางังสุติตังการใดก็ดีสมัยใดก็ดีวดเวลาใดก็ดี เมื่อบุคคลคนนั้นหรือคนคนนั้นทำดีการนั้นก็เป็นสิริมงคลเป็นหลืกดีการดีเวลาดีแต่เมื่อทำชั่วจะในพรรษาหนอ่อพรรษาหรือการเวลาใดๆก็ดีความชั่วก็ยังเป็นความชั่วติดตัวอยู่ตลอดเวลาหนึ่งเปนคำสอนทางศาสนาเหมือนกันกับกฎหมาย ทางบ้านเมืองคนทำชั่วจะทำในวัดในบ้านอยู่สถานที่ใดเมื่อผิดกฎหมายเขาก็มีการจับกลุมลงโทษเมื่อคนทำดีไม่ว่าอยู่สถานที่ใดถึงจะอยู่ในตารางดยกันเขาก็ไม่เรียกว่าคนโทษเรียกว่าคนคุมนักโทษหรือเจ้าหน้าที่ยังจำเขาพูดไปแบบนั้น ทั้งสถิอยู่เดีวยวกันทางกฎหมายก็เป็นอย่างนั้นทางศาสนาก็ทานองเดียวกันเราอย่าไปถือมั่นในวันคืนเดือนปีทำความดีให้คำตลอดระยะเวลาเพราะกิเลสตัณหาเขาไม่เลือกการเลือก เ, เวลาเขาเกิดขึ้นได้ทุกระยะเมื่อเราประมาทเมือนเฉยมันเกิดขึ้น จะเป็นกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอนมันเกิดขึ้นได้แต่าหากความดีคือสติปัญญาไม่มีในตัวของเรารักษาตัวของเราดิเลตปัญหามันก็เกิดขึ้นง่ายสะดวกสบายของมันดังนั้นคุณงามความดีคือสติปัญญาจึงควรระวังรักษาตั้งวรใจอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องอ้าง การ น, นั้นสมัยนี้เมื่อมีสติมีปัญญารักษาจิตความคิดปรุงของจิตจึงเรียกว่าสั้งขานมันปรุงขึ้นมาเมื่อไรทราบตั้งสติเอาไว้เหมือนกันกับนายประตูนายยางคนเข้าคนออกให้รู้จักมือสมควรจะอนุญาตให้เข้าขออนุญาตปล่อยให้เขาเข้าไป คนจะปล่อยให้ออกออกไปแต่คนที่เป็นโจรเป็นมารเขาห้ามในเขาในบ้านของเขาโรงงานของเขาเพอเข้าไปจะทําความเสียหายให้แกบ้านแกโรงงานแก ข, ของที่มีค่าคนชั่วเขาจะขโมยเอาไปปล้นขี่เอาไปแต่นั้นเขาจึงจัดเรียนยามไว้ เพื่อรักษาความปลอดภัยของบ้านของโรงงานต่างๆที่มีคุณค่าฉันใดผู้ประพฤติปฏิบัติทางจิตทางใจต่อทานองนั้นต้องมีสติตลอดเวลานอกจากหลับสนิทโถนั้นอารมณ์สัญญาที่ผ่านมาหรือุขึ้นจะต้องทราบว่าเป็นของดีหรือของชั่วอย่างไรควรกำจัดขับไล่ต่อกำจัดออกไปควรที่ ปล่อยให้นึกคิดเพื่อจะเกิดปัญญาละชิเหล่ก็ปล่อยให้นึกคิดไปนี่คือผู้ปฏิบัติอาจทำทางศาสนาถ้าไม่มีสติรักษาตัวถึงจะนั่งภาวนาทําท่าตัวต้องอยู่ก่อตามจะเดินจงๆอยู่ก่อตามแต่ไม่มีสติอยู่ในตัว คิดปรุงอะไรไม่สรชั่วดีไม่เดปวดตาพิจเจรณาเลยปล่อยให้มันไหลไปตามสัญญาอารมณ์อยู่ตลอดเวลาพอเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยหิวก็บอกว่าเราได้ทำแล้วเอาละพักผ่อนหลับนอนไปเชียทำอีกวันใหม่กทําทำทำนองนั้นไม่ตั้งใจที่จะรักษาสัญญาอารมณ์ของตัวถ้าเป็นอย่างนั้นการฝึกใจ เพื่อให้เป็นไปในทางสงบเพื่อให้เกิดปัญญาละที่เหลือตัญหาภายในเลยไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นเพราะทำแต่เพียงเรื่องของกายหรือเลืลึกได้ว่าเราจะเดินกว่าเดินมันจะเดินจงกรมเลืลึกได้เสียววินาทีเดียวเราจะเดินจงกม บูชาพระพุทธเจ้าประทำพระสงค์แต่พอเดินใจไม่จีก้าวใจมันไหลไปเรื่องโลกเรื่องทงสารคิดอ่านเรื่องใหม่ซึ่งไม่ใช่เรื่องธรรมวินัยซึ่งไม่ใช่เรื่องหัดเตาจิเลตออกจากกายจากใจทำแบบนั้นมันไม่เกิดสาระอะไรให้พอการเดินไม่ว่าจะนักปฏิบัติชาวบ้านเราก็เดินกัน สัตว์เขาก็เดินกันแต่ขาดสติทีนี้พิจารณาอาจทำไม่สังวรระวังใจของตัวมันจึงเกิดความดีไม่ได้นี่แต่จะไหลไปทางต่ำทางชั่วจิตใจของคนเราโดยส่วนใหญ่มันเป็นธรรมนองนั้นแล้วกระบนกันว่าปฏิบัติมาหลายพรรษาหลายปีแล้วในนี้อะไรเกิดขึ้น จะบนจนตากขีดกอตามถ้าหากไม่ตั้งวรระวังรักษาจิตใจของตัวมันก็ไม่เกิดสาระอะไรให้ดังนั้นการปฏิบัติสำคัญอยู่ที่สติสำคัญอยู่ที่ปัญญาจะนั่งอยู่กอตามเดินไปก่อตามกินดื่มก่อตามหลับนอนกอตามให้มีสติรักษา จิตใจข่องตัวมีปัญญาแน่สอนดีชั่วอย่างไรเลือกหัดจักหาเอาไว้ไม่อย่างนั้นจะไม่เกิดสาระอะไรให้คนที่ฝึกเข้าถึงขั้นของมหาสติคือสติเป็นอัตโนมัติของมันนั้นไม่ต้องพูดกันเพราะมันเป็นเองไม่ว่าจะพูดจะคิดจะกินจะเดิม่มจิตที่จะวก จิดอมันสรงขึ้นมาระยะเวลาใดทันทุกการทุกสมัยยิ่งเดี่ยมชั่วอย่างเป็นมานของการประปฏิบัติยิ่งสะเทือนใจทราบได้เราก็ปัดเตาออกไปโดยเร็วเหมือนกันกับไฟตกใส่ตัวของเราจะตกใส่แข่งใสข่ขาใส่ที่ไหนก็ตามมันทราบ ปัดเร็วเือเกินเพราะมันไหม้มันเผานี่ความชั่วไม่ว่าจรมาหรือเกิดขึ้นจากภายในผู้ที่มีมหาสติจริงจังท่นานทราบได้ทุกระยะจิตของท่านจรงเป็นการภาวนาเป็นความเพียรอยู่ตลอดเราจะฝึกให้มันเห็นมันเป็นอย่างนั้นก็ อ, อาศัยการทั้งรวมแล้ววางตั้งจิตเอาไว้เรื่อยๆไป ผลที่สุดมันจะเข้าไปถึงจุดเป็นมหาสติมหาปัญญาข้องมันอะไรเกิดขึ้นภายในตัวมันจะต้องทราบถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันจึงเป็นความเพียรตลอดเวลาไม่ได้ปล่อยการเวลาให้เป็นหมันโมหะนี่เราทําเพียงแต่กิริยาขาดซีหว่าเดินจงกรมหว่านหนังภาวันนา แตจิตใจของเราวัวไหลไปสู่สัญญาอารมณ์อะไรเราไม่เคยทราบคอยผ่อนใจเมื่อมันไปจนเหนื่อยกิน จ, จนอิม่มกลับมาแล้วมันถึงคอยทราบเออมันยังไงกันหนังภาวนาทําไมจิตใจจงึงวัวไหลไปทางอื่นแตตายมันคนเหนืเหนื่อยหิวแล้วเอาวันหลังหรือตอนหาเชือก่อนหรือตอนบ่ายเชือกก่อนต้น เสี่ยงเสียก่อนจึงจะทำมัมันถัดบันประกันฝุ่งไปอยู่อย่างนั้นโดยส่วนใหญ่โยนความดีออกไปเลื่อยไม่ได้เจ็บเข้ามารักษาไว้ภายในใจมันจึงไม่ค่อยเย็นไม่ค่อยสงบไม่ค่อยเย็นอาจเห้นทำอะไรนักปฏิบัติสำคัญที่ขาดสติขาดสัญญาจึงไม่สามารถขับไ ล, ล่จิเลตันหาของใจออกได้ ถ้ามีสติมีปัญญารักษาจิตจิตนั้นจะมีความสว่างสวัยมีความสงบเย็นอยู่ภายในอยู่สถานที่ใดเป็นความเพียรอยู่จิ่นั้นผู้ที่รักษาจิตของตัวลักั่วบำเพ็ญดีมีอัตมีธรรมรักษาอยู่ภายในท่านองค์นั้นท่านคนนั้นในสถานที่ใดเป็นฉุกขะโตคือในนมีทุกข เดือดร้อนเกิดขึ้นคนทุกเดือดร้อนส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากสัญญาของใจอารมณ์ของใจส่วนอื่นภายน อ, อ, อกมีนิดหน่อยเล็กน้อยเท่านั้นถ้าหากคนมีสติปัญญามีธรรมะแล้จะตัดสะพาน ของความชั่วต่างๆภายนอกให้ขาดออกไปจากใจของเขาพอเห็นว่าเขาชั่วเราก็ทราบอยู่แล้วว่าเขาชั่วเราจะไปโกรให้เขาไปทำอะไรเขาเราก็ชั่วเหมือนเขาอีกฉะนั้นท่านจึงโยนออกไปตัดออกไปในใจปรุงคิดติดข้องในสิ่งที่เขาหลวมเกินบาป่าวต่างๆ ท่ญญานจริงเป็นสุขะโตรักษาจิตดีโดยดสติโดยปัญญาของท่านนี่พวกเราถึงมาฝึกหัดปฏิบัติใจให้พากันใส่จิตที่นีพพิจารณาในพรรษาหนอกพรรษาต่อตามเบื้องต้นทีญญ่จิตของเรายังไม่เป็นอาจเป็นธรรมควรจะต้องมีการอธิษฐานมีการถูกจิตเอาไว้ว่าจะทำอย่างนั้น ทำอย่างนี้ไม่ให้ขาดในวันหนึ่งคืนหนึ่งจะทำให้ได้ขนาดนั้นขนาดนี้นี่เป็นเบื้องต้นคือมีขอบเขตมีการบังคับจิตใจของตัวไม่ไดปล่อยให้ไปตามสัญญาอารมณ์ทำาห้มีการอธิษฐาน ม, มีการถูกมัด มันไหลไปหลุดไปต้องอธิษฐานเอาไว้ผูกมัดเอาไว้จนจิตใจของเราเป็นธรรมเป็นอัตโนมัติของมันตอนนั้นไม่ต้องบังคับบัญชาอะไรอยู่สถานที่ใดมันเป็นของมันไปเองมันแก้ไขของมันเรื่องที่ควรแก้ไขเหลือที่ควรสะสมมันกดสะสมของมันไปเอง มีเรื่องการปฏิบัติเห็นชัดจากตัวของตัวในใ่คนอื่นมาบอกให้ไดได้อันนั้นดีอย่างนี้ไม่ต้องได้รับจากคนอื่นเราผู้ประพฤติปฏิบัติจะต้องเห็นเช่นจิตใจเมื่อยังไม่ประพฤติปฏิบัติหรือฝึกหัดใหม่ๆมันคุมยากเดี๋ยวมันออกไปด้านนั้นเดี๋ยวมันออกไปด่านนี้ ความอยากของจิตหรือสตปิปัญญาธรรมะไม่มีกําลังพอบางทีก็ทราบวามันออกไปแต่ไม่มีปัญญาที่จะแนะสอนมันหรือแนะสอนมันกําลังทางสติทางปัญญาไม่เพียงพอก็เหมือนกันกับเราดึงช้างมันลากเราไปทั้งทั้งที่เราไม่อยากให้มันไปมันก็ไปแต่เราอย่าไปปล่อยเชือบปล่อยโซ่ของมันตามมันไป ในวันใดวันหนึ่งมันตกกลับมาได้ถ้าไปปล่อยเหรอเห็นแต่รอยของมันตัวมันไปนที่ไหนไม่ทราบนี่หมายถึงอารมณ์สัญญาที่มันมีกําลังสูงกว่าธรรมะในใจมันสามารถจูงเราไปได้ทั้งๆสี่ทราบว่ามันไปไม่มีปัญญาสี่จะตัดหักห้ามมันถ้ามีสิปัญญามีธรรมะเพียงพอมีแต่เราดึงมัน ปัดมันฆ่ามันตั้งหารมันพอมันเกิดขึ้นแต่ก็พยายามฝึกไปฟิตไปนักมวยที่จะเป็นเต็มเปลี่ยนโลกเขได้ก็กต้องต่อยกระสอบต่อยอะไรไปเชี่ยก่อนพกลมไปเชี่ยก่อนจนฝึกหัดได้ดีแล้วเขาก็ขึ้นเวทีต่อยกับคู่ของเขาแฟนของเขา บมืองฝนมันก็มีการแห่บังสนะบังเป็นธรรมดาก็เมื่อหัดการเข้าฝึกการเขา้าคิดกันเข้าจริงจังมันก็พอไปได้ผลที่เุดก็เลยเด็ดเป็นแชมป์โลกได้นี่นักมวยพวกผมมีการฝึกหัดของเขาอย่างนั้นนักปฏิบัติอทําทางศาสนาก็เหมือนกันไม่มีผิดแปกแตกต่างกันแล้วต้องเข้าดูจิตใจของเรา ทุกระยะทุกเวลาอย่าไปปล่อยให้ที่เหลือตัญหามันมารุมพร้อมจิตของตัวให้ชั่วให้เสียพยาพพยามฟิตพยายามปรับตรุงจิตใจของตัวนี่เป็นการปฏิบัติทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นไม่ใช่ว่า เป็นนาขี่ของพระพุท ธ, ธเจ้าหรืออริยาสาวกเราทุกคนต้องการปรารถนาความสุขไม่มีใครในโลกปรารถนาความทุกข์สุกทุกมันนี่อยู่ที่ไหนมันเกิดขึ้นจากอะไรจะต้องทราบสาเหตุของมันทุกที่ละไมได้ตัดในขาดนั้นก็ให้ทราบว่าเป็นทุกข์ แต่อย่าไปยึดไปถือไปติดไปข้องให้ทราบตามความจริงของมันทางของจิตจิตคิดที่ปรุงน้อยใจเสียใจอยากได้ต่างๆนั้นนะเป็นทางนำ ม, มาสิ่งทุกข์อันหนึ่งคือเหตุให้เกิดทุกข์มันเกิดขึ้นจากความปรุงความคิดความจิตคองคล่องของใจ เราต้องทราบเรื่องของมันเพื่อจะได้ตัดเพื่อจะได้ละเมื่อเราละเรื่องความอยากของใจตัดสะานของความชั่วต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็ทราบในตัวของเราว่ามันเป็นอย่างไรสมัยที่เรายังฝึกใหม่ๆเป็นอย่างไรสมัยนี้เป็นอย่างไรทำนึกคิดของจิตของใจทราบ มันมีเจ้าของคือสติคือปัญญารักษาแต่ก่อนเราไม่มีเจ้าของปล่อยมันไปตามเรื่องกเหมือนสัตว์ป่าจะเอามาทำสารประโยชน์อะไรไม่ได้นอกจากจะเอาเนื้อเอาหนังมันมาเป็นอาหารเถานั้นจะมาใส่เรียนใส่ไถไม่ได้ถ้าไม่ฝึกหัดเสีย ก, ก่อนถ้าฝึกหัดแล้วสัตว์ป่า เป็นช้างเป็นต้นเขาก็เอามาเป็นฐ า, านะหลากเขียนซุงต่างๆเกิดสารประโยชน์ดได้เพราะเขาฝึกมันเขาเป็นสัตว์ก็ยังฝึกได้ไอ้ ใ, ใจของเราที่เป็นสัตว์เราก็ฝึกได้ถ้หาหากเราจะฝึ ก, เ ร, กเราจะรักษาเราต่างหน้าต่างตาทําจริงจัจง นี่มีแต่นบนแล้มันทุกอย่างนั้นเดือดร้อนอย่างนี้ไม่มีวันเวลสเสาสงบสบายเคยปฏิบัติรักษาเคยสอนธรรมะให้ตัวไหมหรือหากจะเอาคำบนนั้นเป็นความสนทุกเป็นนิพพานเราจะต้องมองดูภายในของตัวไม่อย่างนั้นไม่เกิดสาระประโยชน์จะบนเท่าไรมันก็ไม่มีอะไรที่จะตกจะหายไปยิ่งบนก็นทุกข์ เพิเตมากขึ้นเท่านั้นการปฏิบัติดวงต่างหน้าต่างตาที่นิทิจแรแลนาเทสะศาสนาพระพุทธเจ้ามอบให้สวกเราคือพิสุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้รักษาธนุถนอมบำบวงเอาไว้เราจะเป็นผู้เหยียบย่ําทําลายศาสนาหรือจะเป็นผู้ที่รักษา ธรรมะของพระพุทธเจ้าเราต้องตรวจดูภายในของเราถ้าเราคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วก็เป็นไปเพื่อทำลายเรื่องของศาสนาถ้าเราคิดดีทำดียอมเสียสละมานะทิฏฐิต่างๆเพื่อละเพื่อวางเพื่อถอดเพื่อถอน ความสิดของข้องใจก็ได้ชื่อว่าเรารักษาเรื่องของศาสนาความจเจริญทางศาสนานั้นถ้าหากดูผิวเผินสมัยปัจจุบันเจริญพอสมควรเพราะวัดวามีอยู่แทบทุกหมู่บ้านในประเทศไทยนับจำนวนเป็นหลายๆ้ายหมื่นวัดพระเจ้าพระสงฆ์ก็เป็นจำนวนแป็นแสนนี่คือ เรื่องภายนอกแต่จะดูภายในว่ามีวัดมีพระหรือไม่หรือเพียงจางแจกที่อยู่ที่อาศัยของเปรของผีของผูง้มาทำลายเหยียบย่ำศาสนาถ้าหาดูเข้าไปภายในจริงจังมันก็พอจะทราบได้ว่พาพระ อยู่ในศาสนานั้นหายากมีมากแต่ปริมาณแต่คุณค่าสาระจริงจังหายากหาพระจะกลาวจะไหว่ยากในต้องไปดูข้างนอกดูภายในใจของตัวเองใจที่เป็นพระละกิเลสในวันหนึ่งหนึ่งคืนหนึ่งหนึ่งมันมีกี่นาทีกี่ชั่วโมงที่มันเป็นพระ หรือมันเป็นโจรเป็นมารเป็นเตเป็นผีเราต้องดูให้ดีดูในจิตในใจของเราไม่อย่างนั้นจะไม่เห็นพระให้จะไปดูแต่ทางนอกมันไม่ถูกต้องตามธรรมคำสอนของพระุ้ทธเจ้าเพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนโอปนัตยิโกน้อมเข้ามาดูภายในพระที่แท้จริงมันเกิดขึ้นจากใจจิต ขึ้นจากการท ป, ปฏิบัติในใช่หอมเหลียงหนุ่งเหลืองอย้วเป็นพระอันนี้ก็เป็นพระสมมติสี่สองใช่พระสิบพระพุทธเท้าองค์ทรงสันนิษฐาเสิร์นหาพวกนี้เอาแน่นอนไม่ได้บางที่ก็เป็นโจรเป็นมาในเครื่องแบบแอบพระศาสน า, าจินหลอกลวงอย่างนั้นหลอกลวงอย่างนี้บางที่ ทุกปีข้าฟันกันตกลักขโมยกันตกลงโดยจิตใจมันหน่อยเป็นท้าให้เป็นเนนให้ท้าก็หมายถึงผูกประเสริฐทางใจถึงคนทั่วไปเขาทํายากทําไม่ได้เขาจึงมากล่าวว่าบูชาถ้าเขาทําได้หรือตํากว่าเขาชั่วกว่าเขาเขาไลยยอมที่จะกราบเยาะว่า พอมันชั่วของเขาจะเป็นครูเขาอาจารย์เขาสอนเขาไม่ได้เพราะเราชั่วเราเสียใครเราจะไปเรียนกับคนที่มีวิชาความรู้ครูที่เขานํามาสอนจะต้องเคยเป็นนักเรียนมา ก, ก่อนทําได้ถูกต้องแม่นยํนเขาจึงนํามาเป็นครูสอนนักเรียนหากทําไม่ได้อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นจะเอามา เป็นครูจะมาสอนทำไมตัวของเขาก็หลงอยู่แล้วโง่อ ย, อยู่แล้วไม่มีวิชาอะไรที่จะมาสอนคนอื่นแต่สอนตัวตัวของตัวก็ยังสอนไม่ได้ครูภายนอกก็อย่างนั้นคูภายในก็เหมือนกันแต่ต้องดูภายในศึกษาภายในที่ารนาภายในแก้ไขภายในปรับปุงกายวายจาใจของตัวให้เป็นพระ คือเพลเซอร์เขาติดเขาคล้องเขาชอบเขายินดีเราต้องละสองถอนออกมาอย่าไปติดไปคล้องกับเรื่องท้องกิเลสแต่เราละได้ถอนได้ใจของเราสะดวกสบายแต่ก่อนเคยวุ่นวายจิตร ง, งต่างๆเดี่ยวนี้ไล่ไปก็ไม่ไปเพราะมันเห็น้าสิ่งเหล่านั้นในเกิดสาระอะไรให้ นอกจากจน่นำทุกมาให้แก่กายแก่ใจของตัวถ้ามันทราบมันเห็นมันเป็นภายในเข้าใจอย่างนี้มันก็เป็นพระคือความชั่วต่างๆที <c> ่ <oughs> เคยติดข้องดวงคิด <c oughs> ทาผูดมามันละมันถอนได้ใจมันสบายมันสง บ, น, สงบนี่คือพระสมนาของคือผู้สงบในเบียดเบียนตงคนอื่นอยู่สถ า, านที่ใด ในก่อควรตความรำคาญให้แก่ใครนี่คือสมนะณะผูมีความสงบกายวาจาใจของท่านยอนนี้มาอยากจะมีแต่ตำรับตำลาแต่ตัวพระสมณะจริงจังมันหายย่าเราสี่นับถือพระพุทธศาสนาเราจะต้องตนะั้งหน้าเพืทอปฏิบัต พระเนนเป็นฑูต น, นําสําคัญแต่พระเนนไม่ดีอย่าโยมในตัอไปตาหนีิเขาถ้าเราไม่ดีไม่มีปัญญาจิตจะแนนสอนเขาให้เขาละชั่วแต่ตัวข้องตัวก็ยังม <c oughs> ีโทษมีทุกข์อยู่สอนตัวข้องตัวกรับกลุมตัวข้องตัวอะไรค้าดีเจียงองเดียวเถานั้น อย่างพระพุทธเจ้าท่านองเดียวเท่านั้นประกาศศาสนานี่ผู้นับถือเลื่อมใสนับจำนวนแสนจำนวนล้านไม่ได้นี่คือความดีสามารถที่จะทำให้คนอื่นดีไปได้ท่าจึิงหละมีรัฐถีคือผู้ดีมีธรรมมีวินยัยมียางอายทางกายใจเพียงคนเดียวสามารถที่จะ ชักจูงอรัตตีคือคนชั่วคนเสียไปได้เกินจำนวนมากแต่ต่ตรงการข่ามีอรัตตีเพียงคนเดียวเท่านั้นต็สามารถที่จะทำคนอื่นให้เสียหายไปได้จำนวนมากอีกเหมือนกันดังนั้นเราต้องตรวจตาที่เจริญมาดูวาระจิตของตัวขี่คุงคิดขึ้นภายในว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่ อันนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเป็นคําสอนท่องมาให้ตรวจตาพิ่เจรินาที่มันเกิดขึ้นพุดขึ้ น, นถ้าเราเฝ้าดูจิตใจของเราอยู่อย่างนั้นจิตใจของเราจะสงบจะสบายรวมลงได้เกิดปัญญาสามารถที่จะขับไล่ความสงสัยต่างๆออกไปได้เพราอปัญญา มันอยู่ในใจอะไรเกิดขึ้นนามาที่นิจพยนาวิใจดนะีจงังคำตอบมันจะเกิดขึ้นในตัวของตัวเมื่อคำตอบถูกต้องเป็นจริงแล้วสิ่งนั้นจะมาเหยื่อยุหลอกลวงเราอีกหลอกลวงไม่ได้เพราะความเห็นความเป็นมันจริงอย่างนะั้นท่านจริงเรียกว่าปัญญาละกิเลสตัดกิเลสขาดออกใส่นีพวกเรา เป็นนักปฏิบัติโดยส่วนใหญ่เขาถือถือว่าเป็นพระกรรมฐานเป็นผู้ปฏิบัติหน้ากราบหน้าไาหวา้หน้าสักการะบูชาในว่าต่างแๆเมืองไทยต่างประเทศก็ยังสนใจมาเรื่มใส่เดี๋ยวพวกท่าเนเนรท่องเราถึงเขาสมมติให้เหรเป็นพระกรรมฐานนักปฏิบัติมันแค่ไห น, นต่างจอบสื่อที่นี่ทุเกเจ้าน่าดู เพราะคนมาเอาตามาเอาหูมาเอาใจมาในว่าเขาไปมาห้เราหรือเราไปห้เขามันจะมีคติอยู่สองอย่างคือถ้าดีเขาก่อนสรรเสริญชมเชยถ้าชั่วเขากวตัหฑ์เราไปห้เขาก็อย่างนั้นเขามาห้เราก็อย่างนี้ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันฉังนั้นผู้รักษาศาสนาจงระวังทั้งวรกายวาจาใจท่องตัวผู้ที่เป็นขรุขระ ปฏิบัติศาสนาก็ทำหนังเยียวกันวัดนั่นก็เคยไปอาจารย์นี้เคยศึกษาแต่เมื่อทำเมื่อพูดออกมามันไม่มีอาจมีธรรมอะไรให้คนอื่นที่เขายังไม่เลยไปเกี่ยวข้องกับวัดเขาเห็นเขา้าแต่คนเข้าวัดเขาวาจัมชีมภาวนามีแต่กิเลสปัญหามีแต่มานะทิฏฐิไม่มีอะไรที่น่าเรื่อมใส น่ยินดีถ้าเราหวงตัวพอไปในวัดก็จะช่วจะเสียอย่างนี้เขาจะตำหนินินทาคาศาสนาซึ่งเป็นของบริสุทธิ์เราจะต้องรักษาอีกเหมือนกันอยากทําอยากพูดกว่าห้ยแลลึกนึกถึงเราเผ่าวัดแล้วนะเราไปหาครูหาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้แล้วนะแต่เราทําไปอย่างนี้มันจะชั่วจะเสียจะเสื่อมไปถึงครูถึงอาจารย์ของเรา เราอยากว่าหักห้ามเอาไว้นอกจากเราจะชั่วจะเสียในตัวของเรายังทำข้าศศาสนาให้ลลมโจมเสียหายไปอีกนี่เป็นเรื่องที่ควรนึกคิดสึกจิตของตัวในอย่างนั้นผู้ประเพื่ปฏิบัติศาสนาจะไม่มีคุณค่าอะไรอะไรให้แต่เราดีพระก็ดีผู้เขาเกี่ยวข้องกับศาสนาก็ดี นี่หน่าตาเ ย, ย็นแย่แจ่มสาูดออกไปนีอัตมีธรรมมีเหตุมีผลคนที่ทุกข์ด้านจิตด้านใจนาเห็นเข้าเขาคนอื่นก็มีความสุขเพราะเหตุใดเขาไปศึกษาก็มีธรรมะที่จะอธิบายให้เขาฟังเขาจะสนใจจะเลื่อมใสอนุชนรุ่นหลังเมื่อเห็นปู่ย่าตายายพ่อแม่นับถือศาสนา มีเหตุมีผลทำเต็นใจลองใจค่องใจหน่าเลื่มใสัตคาไม่ต้องไปแน่สอนเขาเขาก็เลื่มใสเขาก็เต็มใจอยากต่เพื่อปฏิบัติเพราะทุกคนแสวงหาทางดีนะแต่เขาไม่ทราบว่าอะไรมันดีเขาไม่เห็นตัวอย่างทางดีเขาจึงทำชั่วทำเสียไปแต่นั้นพวกเราที่เข้ามาอยู่ในหล่มเงากาสารพั หรือเขามาในวัดในวาถึงศาสนาวาให้พากันที่มิจฉาเนาแน่สอนตัวสิ่งที่ชั่วต่างๆ้าการชำระสางสาออกไปสิ่งใดที่จะทำความเจริญรุ่งเรืองมาให้แก่กายแก่ใจแก่พระศาสนารีกว่าทำบำเพ็ญเอาอย่าไปนานใจตายใจเพราะการเวลาหมดไปหมดไปชีวิตของเราก็หมดไปด้วย เราไม่มีคุณ ง, งามความดีอะไรเมื่อชีวิตหมดไป จ, จะพึ่งพาอาศัยอะไรหากเรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางการกอพบก่อชาติเลียนลายตายเกิดนั้นไม่ต้องสงสัยเราจะต้องนี่การเกิดการตายเรื่อยใจคนเกิดคนตายถ้ากไม่มีคุณงามความดีใน่มีอมัตนิธรรมไม่มีบุญมีกุศลก็ผิดหวังเรื่อยไป เหมือนบุคคลที่มีมีสมบัติเข่าของจะไปสถานที่ใดจะมีความทุกข์เป็นธรรมดาเขานอนโรงแรมเขามีเงินมีทองให้เราปวรจะต้องนอนข้างถนนหล่มไม้พอเราไม่มีอะไรที่จะไปจ้างให้ข้าเขานอนเขาทานอาหารที่มีรสชาติ อ, ร, อร่อยเราก็ไม่ได้ทานกับเขาเพรอเราไม่มีอะไรจิตจะซื้อ มันเป็นอย่างนั้นการเกิดการตายของพวกเราก็เหมือนกันจงสะสมคุณงามความดีเอาไว้เมื่อใดยังไม่ถึงจุดหมายตายทางรีบแตดทำคุณงามความดีจนเมื่อมันถึงจุดที่สุดของมันแล้วไม่ต้องบอกมันจะทราบจากตัวของตัวเองผูกพันพฤติบัติถึงตรงนั้นในตรงมีปัญหาอะไร อยากจะไปพนิพพานหรือมันก็ไม่คิดจะคิดอะไรยังอยากอยู่มันก็ยังไม่อิ่มแล้วสิยังไปอยู่มันก็ยังไม่ถึงมันเป็นอย่างไรไปมันก็ไม่ไปอยู่มันก็ไม่อยู่มันเป็นอย่างไรมันนอกสมมติที่เราจะพูดกันท่านผู้ประพฤติปฏิบัติจะรู้ใจเห็นในจิตในใจของท่านแต่นั้นทำทุกอย่าง หากเราประพฤติปฏิบัติไม่มีอะไรปิดบังอำมพางใจของเราเราจะเห็นในตัวของเราทุกสิ่งทุกส่วนทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่มีอะไรที่จะสงสัยไปถามคนอื่นถามันเห็นมันเป็นในจิตในใจจริงจังมันเป็นอย่างนั้นแต่นั้นขอทุกท่านจงพากันตัางหน้าตัางตาประพฤติปฏิบัติรักษาพระพุทธเจ้ามอบพระศาสนาให้แก่พวกเราคือเทวสุสามาเนอุบาสกอุบาสิกา จงนำศาสนาของพระพุทธองค์มาประดับกายวาจยใจของตนคนที่มีศาสนามีธรรมะในตัวคนนั้นไม่ชั่วไม่เสียจะเป็นคนดีมีคนดีสรรเสริญนี่คือการประพฤติปฏิบัติในทางศาสนาแต่นั้นขอทุกท่านจงนำไปพิจารณาปฏิบัติรักษาเมื่อทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติ ตามทําคคำสอนของพระพุทธเจา้าความสุขความเจริญก็จะเกิดขึ้นแต่ตัวของตัวการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอต้องควรเสียเวลาพอยุติเพียงแค่นี้เอง